อันภาระขนาดไหนใช่ไหมภาระของการดูแลกายนี่นับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่เกิดมาแล้วแหละแ้แ้มาเนี่ยนะจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะต้องอาบน้ําให้กี่รอบเนี่ยนะอาบน้ํามาให้แล้วกี่ครั้งทานอาหารแล้วกี่ครั้งต้องแปรงฟันมาแล้วกี่รอบต้องอาบน้ํากี่รอบจะต้องตัดผมกี่ครั้งตัดเล็บโอดูแลร่างกายเนี่ยทุกแท้เนี่ยนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งแล้วนอนเป็นต้นเนี่ยนะ มันให้ภาระแกเราขนาดเนี้ยมันโยนภาระมาให้เราบริหารขนาดเนี้ยเราจะบอกว่าของเราได้ไหมแล้วของเราเนี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วเนี้ยนะมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมตับเอออย่าแข็งซิอะไรคุยกันรู้เรื่องไหมตับอย่าแข็งนะอย่างเงี้ยสมองอย่าฟอนนะเนี่ยนะอย่ารีบเลยเดี๋ยวนะ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 คือจริงๆแล้วเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ของเราก็เขามาก็ถามเนีนะเคยถามมัน ง, ง่ายๆปะเอาไม่ล่ะแม่ดูแลเหลือเกินนะกายนี้เนี่ยโอ้โสนใจดูแลบริหารปกปักรักษาขอเคี่ยวอันเนี้ยคู่เนี้ยไปใช้ชาติหน้าต่อไปไหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหยหน้าสวยเหลือเกินเอาหน้าใบเนีเ่ไปใช้ชาติหน้าอีกเอาไหมอย่างนั้นโอ้ไม่เอาอีกแล้วนั่นนะติดอะไรสักชิ้นหนึ่งจากชาตินี้ไปไว้ใช้ชาติหน้าเอาไหม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 กายนี่นะีแรกๆเนี่ยดูแลง่ายนะไม่ค่อยยากนะเด็กเด็กเนี่ยดูแล ก, ก็ง่ายจะลุกจะเดินจะเฮินนอนหน่อยหนึ่งก็สบายใจแล้วตอนนี้ตื่นขึ้ น, นมายังเพลียอะไรแบบนั้นนะตอนแรกเนี่ยแม้หลับงีบหนึ่งก็สบายแล้วตื่นขึ้นมายังเหนื่อยกระเ透าอีกแล้ว น, นะนอนให้หมากก็เดือดร้อนเดินให้ก็เดือดร้อนนั่งก็เดือดร้อนอปวดเมื่อยทุกทรมานแล้วทุกส่วนมันป่วยหมดเลยนะแล้วราคามันแต่ละชิ้นดูสิ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 อันนั้ไปดัดฟันจัดฟันถอนฟันขูดหินปูนเฮ้ยเสียวปากเป็นตนน้นนะเสียวฟันหน้าดูเลยนะแล้วก็ในที่สุดก็ถอนเหยือกบวมอักเสบถอนฟันอีกเนี่ยนะนะบอกว่าเขามีคนถอนฟันบอกว่าหมอเขายื่นไอ้ฟันที่ถอนเนี่ยมาให้คนเจ้าของฟันดูไม่ยอมดูเลยนะว่าเอาไปเอาไปไม่ยอมดูเดยนะแมนะ้ตอนที่อยู่ในปากแล้วก็อของเรานะี่นะแล้วก็ผิวหนังเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องล้างทิ้งทุกวันนะั่นแหละเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะ แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะพาระในการดูแลรักษาเนี่ยนะอย่างผิวหนังเนี่ยพาระในการดูแลผิวหนังเนี่ยมากภาระในการบํารุงเนื้อดูแลเอ็นดูแลกระดูกดูแลเยื่อในกระดูกแล้วก็ดูแลไตเนี่ยนะไตเนี่ยไตข้างหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ราคาควบควรกับชีวิตนั่นแหละถ้าดูแลสองข้างไม่ดีก็ตายแล้วหัวใจล่ะหัวใจล่ะราคาเท่าไหร่ดีเนี่ยนะว่าชีวิตนั่นแหละตับนะพังผืด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 เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นก็มีอยู่แต่ก็ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะนีสัตโตนิชชีโวไม่ใช่ชีวะแบบที่เรียกว่าแม้ไปเพาะขึ้นเป็นอะไรนะเป็นประวัติตมันเป็นอัตตาเป็นชีวะปุคละเอาไปแม้ง่ขึ้นแบบอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะนะีะนีสัตตานิชีวะสุญยะว่างจากความเที่ยงหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หรอกว่างจากความสุขที่แท้จริงหาจากความ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 ที่จริงก็กินกระดูกเพื่อบำรุงกระดูก่าแล้เนี่ยนะไม่ไม่กล้าพูดตรงตรงอ่ะนะนะกินศพกุ้งศพปลาเป็นต้นมาบำรุงเนื้อนี้เละเหมือนกันไหมกล้าเรียกตรง ต, รงตรงอ่ะนะพูดความจริงไม่ได้บางทีก็ต้องหลอกๆไปกินน้ํามันพายไก่อย่างเงี้ยนะก็ไม่เอาเอาข้าวมันไก่ก็น้ำมันพายไก่ใช่ไหมน้ํามันพายหมูเป็นต้นเนี่ยนะรับประทานศพหมูใช่ไหม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 ปทวีธาตุถ้ากำหนัดเนี่ยมันเกาะถ้าคลายกำหนัดแปลว่าแปลว่าปล่อยหรือแปลว่าไม่เกาะเห็นไหมไอ้เกาะเนี่ยถ้าเราจะเกาะปทวีธาตุเนี่ยเกาะว่ายัางไงถ้ากำหนัดในปทวีธาตุเกาะว่ายังไงเออเเราก็ไม่เห็นเกาะอะไรนะวันวันหนึ่งเราก็แต่งตัวทีเดียวก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจอีกเลยนะฮะว่าเราเกาะยังไงเราดูแลแค่แค่เรียกเอาเรียว่านะดูแลให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าสังคมได้เท่านั้นแหละไม่ได้ยึดอะไรหรอกเห็นไหม ยึดหรือไม่ยึดก็ลองอะไรตกใส่ผมดูสิเนี่ยนะยรีบปัดเนี่ยนะเจ๊ะไหมก็ลองคิ้วมันไม่ค่อยดําก็เขียนอีกแล้วยังไงมันก็สรุปว่าเดือดร้อนหมดนะอ่ะนะที่จริงเนี่ยเรายึดว่าถ้าผมของเราก็ต้องสวยใช่ไหมผมของเราก็ต้องสวยเสมอคิ้วของเราก็ต้องงามนะฟันของเราก็ต้องงามเล็บก็ต้องงามผิวหนังก็ต้องโงดงามเนี่ยก็ต้องมีกระจกประจําตัวไว้อันหนึ่งเอาไดูว่ายัางงามอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะ ไอ้ความว่ายึดเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบอย่างอื่นน ะ, นะเพราะมันแบกอยู่แล้วล่ะนะแบกแบกหามเนี่ยแบกหามอยู่แล้วใช่ไหมจะเดินก็เดินไปด้วยกันจะนั่งจะนอนเป็นต้นก็ด้วยกันอยู่แล้วล่ะแต่ที่ยึดกันนั้นก็นั่นว่ายึดว่าคนที่ยึดนะปกติก็ยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราวิทย์อีกในหนึ่งก็บอกนี่ความสุขนะนี่ความเที่ยงนี่ความยั่งยืนเราคือผู้มีอํานาจในสิ่งเหล่านี้สั่งได้ลุกซิเราก็ลุกใช่ไหม พักอา้าวพักนอนก็นอ น, ก, อ น, น, อนกินกินดื่มดื่มอู้สบายไปหมดดูแลนเนี่ยวิธียึดแล้วนะั้นสบายแต่ที่จริงน้อยนักที่จะยึดมาแม่วิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะเขาบอกว่าเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวผู้สะอาดเนี่ยนะอาบน้ําชําระร่างกายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาซากงูเนี่ยมาแขวนคอเนี่ยนะ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 ให้อยู่ในสภาพแบบนี้แหละเนี่ยนะโอยมันจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อหน่ายหน้าอึดอัดหน้าเอือมระอาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีคิดอีกนางหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะในวิสุทธิมรักษ์อาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะกลา่าวไว้เลยบอกว่าถ้าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยมองเห็นสุนัขวิ่งก็เหมือนกับเห็น อาหารเนี่ยที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยนะมันเดินได้อะเหมือนอาหารเนี่ยลอยไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนอาหารลอยเป็นมองเห็นแต่ก้อนอาหารกอว่างงั้นน่ะนะเหมือนกับก้อนอาหารจะยืนจะเดินจะนอนก็เหมือนจะมีแต่ก้อนอาหารถ้าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้านั่งอยู่เงี่ยเราก็เห็นแต่ก้อนอาหารถ้าเจรเินอันตังอันตังเนี่ยนะลึกถึงลําไส้มากๆเนี่ยนะก็ลําไส้ทุกคนก็คล้ายๆกับกระสือเดินได้เนี่ยนะกระสือนั่งกระสือนอนกระสือเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนาะพวกเราทั้งหลายนี่แหละเนี่ยนะ ถ้าท่านึกถึงไม่นึกถึงภาพอย่างอื่นเห็นแต่ก้อนตับลอยไปลอยมาแล้วเห็นก้อนหัวใจลอยไปลอยมาอา้าวซึ่งมันความจริงแต่ว่าเราเห็นมันประกอบมันประกอบรวมตัวแล้วมันแยกกระจายได้ไหมล่ะมันก็แยกมันก็กระจายอย่างนั้นเลยเห็นไหมเป็นก้อนหัวใจลอยได้ก้อนตับลอยได้ก้อนอะไรนะเป็นกลุ่มลำไส้ทั้งหลายเนี่ยมันม้วนพันพั น, พนลอยนะลุกเดินเหินเป็นต้นไปได้นะก็ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สําคัญว่าสิ่งเหล่านี้ นำมาซึ่งความสุขจริงหรือนำมาซึ่งความสบายจริงหรือนำมาซึ่งอะไรสำคัญสำคัญว่าเป็นอัตตาว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจริงหรือเพราะฉะนั้นคลายกําหนัดแปล ว, ว่าไม่มีความหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสุขไม่มีความหวังว่าจะนําสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเที่ยงนํามาซึ่งความยั่งยืนนํามาซึ่งอัตตานํามาซึ่งความสําคัญว่า เกี่ยวเนื่องด้วยอัตตาก็จะไม่มีความสําคัญแบบนั้นคือว่ายัางจิตให้คลายกําหนัดในปัทวีธาตุเพราะฉะนั้นก็คือว่าหมดหวังแล้วว่ามันจะเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาคือว่าไม่คิดว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเจริญใจเหล่าใดเลยเนี่ยนะนะไม่คิดว่ารูปทั้งหลายปัทวีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินและเจริญใจอีกต่อไปเลยคือว่า อย่างจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุก็บอกก็มาแยกนะระดับสูงเนะี่แยกว่าถ้าตามเพลิดเพลินในปฐวีธาตุผมขนเล็บฟันหนังกับเบื่อหนายในผมขนเล็บฟันหนังไหนดีกันไหนดีกันรู้สึกเบื่อหนายอึดอัดเอือมระอาเนี่ยนะกับผมขนเล็บฟันหนังกับตามชื่นชมผมขนเล็บฟันหนังอันไหนดีกัน